หมวดที่สองเรื่องเทวดาร่วมจัดทรรมโดยวันนิสาเมเดวปิยพันธ์ไสกมนสุภาพอรเทียมบุญประเสริฐรักสมนักธรรมเทวดาจะพึ่งพาหรือว่าอยู่ด้วยกันอย่างไรมนุษย์กับเทวดาดูฐานะนำมาเปรียบเทียบกัน คำว่าเทวดาหรือเทพใช้คลุมถึงพรมทั้งหลายด้วยโดยแบ่งเป็นเทวดาชั้นกรมาวาจรคือผู้ยังเกี่ยวข้องกับกามบางทีเรียกว่าจกามมาผจรสวรรค์หรือสวรรค์ชั้นที่ยังเกี่ยวข้องกับกามหกชั้นคือจ่าตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีและปารานิมิตาสวัสดีต่อจากนั้นมีเทพชั้นรูปาวาจร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 และเทวดาก็เป็นผู้มีฤทธิ์หลักการทั่วไปที่บรรยายแล้วในเรื่องอิทธิปาติหารเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับคุณและโทษจึงนำมาใช้กับเรื่องเทวดาได้ด้วยแต่ก็มีเรื่องที่ควรทราบเพิ่มเติมอีกบางอย่างดังนี้ว่าโดยภาวะพื้นฐานเทวดาทุกประเภทตลอดจนถึงพรมที่สูงสุดล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ เช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายและส่วนใหญ่ก็เป็นปุถุชนยังมีกิเลสคล้ายมนุษย์แม้ว่าจะมีเทพที่เป็นอริยบุคคลบ้างส่วนมากก็เป็นอริยามาก่อนตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์แม้ว่าเมื่อปเปรียบเทียบด้วยเฉลีย่ยตามลำดับฐานะเทวดาจะเป็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่าแต่ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจนพูดรวมๆไปได้ว่าเป็นระดับสุขติด้วยกัน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 นับว่าเป็นการไปสุขติของเทพทั้งหลายจากพระไตรปิฎกเล่มที่25หเมื่อเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งจะจุดติดเพื่อนเทพชาวสวรรค์จะพากันอวยพรว่าให้ไปสุขติคือไปเกิดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเพราะโลกมนุษย์เป็นถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรมทำความดีงามต่างๆและประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่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 และมีคนดีซึ่งมีคุณธรรมประนีเท่ากับพรหมผู้สูงสุดตลอดจนท่านผู้พ้นแล้วจากพบภูมิทั้งหลายซึ่งแม้แต่เลาเทพมารพรหมก็เคารพบูชาภาวะเช่นนี้นับได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษของโลกมนุษย์ที่เป็นวิสัยกว้างสุดแห่งบาปอากุศลและคุณธรรมเพราะเป็นที่ธรรมาหากรรมและเป็นที่หวานธรรมะเท่าที่กล่าวมานี้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 มนุษย์มีโอกาสมากกว่าในการที่จะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตนถ้ามองในแง่แข่งขันซึ่งความจริงทางธรรมะไม่สนับสนุนให้มองถ้ามองในแง่แข่งขันก็ว่าตามปกติธรรมดาถ้าอยู่กันเฉยเฉยเทวดาทั่วไปสูงกว่าดีกว่าเก่งกว่ามนุษย์แต่ถ้ามนุษย์ปรับปรุงตัวเมื่อไหร่ก็จะขึ้นไปเทียมเท่า หรือแม้แต่สูงกว่าดีกว่าเก่งกว่าเทวดาในอังคุตระนิกายอัฏกานิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่23าข้อ1 6อมีพุทธพจน์ว่าต่อเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีอาทิตยเทวญาณทัศนะครบ8ปริวัติคือรอบทั้ง8ด้านคือหนึ่งจำโอภาษได้ 2. เป็นรูปทั้งหลาย 3. สนทนากันได้กับเทวดาเหล่านั้น 4. รู้ว่าเทวดาเหล่านั้นมาจากเท พ, พนิกายไหน 5. รู้ว่าเทวดาเหล่านั้นจุติจากที่นี้ไปเกิดที่นั้นด้วยวิบากของกรรมใด 6. รู้ว่าเทวดาเหล่านั้นมีอาหารอย่างไรสวยสุขทุกข์อย่างไรอย่างไร 7. รู้ว่าเทวดาเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเท่าใด แรู้ว่าพระองค์เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านั้นหรือไม่เมื่อทรงมีอธิเทวญาณทัศน์ครบ8ป ร, ริวัดนี้จึงจะทรงปฏิญาณได้ว่าทรงบรรลุแล้วซึ่งอนุทลรสัมมาสัมโพธิญาณอทิเทวญาณทัศนะนี้น่าจะแปลว่าญาณทัศนะของพระผู้เหนือกว่าเทพหรือญาณทัศนะที่ทําให้ทรงเป็นผู้เหนือกว่าเทพ เพราะทำให้ทรงรู้จักเทวดาดียิ่งกว่าที่พวกเทวดารู้จักตนเองเช่นพระพรหมไม่รู้อายุของตนจึงเข้าใจตนเองผิดว่าไม่เกิดไม่ตายอ ธ, ธิเทว ญ, ญาณทัศนนี้เป็นส่วนหนึ่งของทิพยจักสุจึงเป็นคุณสมบัติจำเป็นอย่างหนึ่งสําหรับความเป็นสัมมาสัมพุทธะเช่นเดียวกับตถาคตพลญยานข้ออื่น แต่ไม่จำเป็นสำหรับการบรรลุอรหัตผลหรือนิพพานแต่เดิมมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลความนับถือเทวดาเป็นของสามาัญและฝังรากลึกดังนั้นการจะแสดงความประเสริฐของมนุษย์ได้ก็ต้องให้เห็นว่ามนุษย์สามารถจะทำตนให้เหนือกว่าเทวดาได้อย่างไร